เนี่ยทวนแรงมันปิ้นไปปินมามันไม่คงทื่อ น, นะเหมือนผู้ชายผู้ชายมันกล้าหานถึงถึงขึกถึงขีง น, นะผู้ชายอย่า <c oughs> งนี้ยาเธอได้ะตามตำราในพระไกรปโดอกว่าผู้หญิงจะปรารถนาผู้ผู้ชายนะั่นเหมือนเก่งกนเห็นขึ้นภูเขานะผู้ชายจะประารถนาผู้ผู้หญิงแม้เก่งกนเห็นลงเขานะนั่ น, นะ น, นะ น, นให้สําเร็จได้เพียง <c oughs> สำคัญนักเียร์ดังมาห็ในตอนหนึ่งนายทุกข์รไม่ดกนะมาพุคนคเอคนนึ่งแม้อยากเป็นผู้ชายมากที่สุดรักษาศีลสามร้อบให้บริสุทธิ์ในต้นกลางเียร์ทั้งตน้น ท, ท, ทั้งกลางทั้งปลายนางปรารถนาเป็นมนุษย์เนเป็นบุตรนะนะเป็นบุตรจริงจริงอิทธิภาวะมันคลายออกผู้ริภาวะแทนนะนะ mm hmm. แล้วเพืนะ คำด้า น, นถึงองค์สมเด็จพระพระมีภาคย์เนี่ยมันแปละนะเป็นผู้ชายนะผู้หญิงนะนั่นพระองค์ให้ไปอยู่กับพิษุพุชายนั่น mm hmm. อำนาจศิล น, นะให้เปลี่ยนได้เทียวนี่เปลี่ยนได้ที่อาํน mm hmm. นอาอนาจศิลป์นนะอํานาจอุโบสถมันไม่ใช่เล่นนะ mm hmm. อํานาจศิลป์ฏิโมกษนะเปลี่ยนได้เทียว mm hmm. แล้วอีกส า, ารหนะึ่งในพระไกรบิดกอีกว่ามาตัวคามคนไหนเสด็จตองศรสามีนะั่ะ S <S มืศิลนะหานะนนความปราศรีพิบูชายอาจจะสําเร็จในชาตินั้นนะที่กลองนะนนในรักษาพินิจบังคับอีกนะนนั่นอาจจะเปลี่ยนได้ง่ายๆเพี้ยนเข้าใจไหมผู้หญิง <S 2> <S 2> บวชนดะ้เข้าเดินทดลองไม่ได้ผู้หญิงบวชนะไปตื่นเปลี่ยวไม่ได้ไม่ไม่ไม่เหมือนอผู้ชายผู้อุปสรคเกิดขึ้นมากสมัยนี้ไม่ได้เชียวสมัยนี้ สมัยนี้ไม่ได้นักเลงเจ้าชู้เกิดขึ้นมากสมัยนี้ข่ากันอะไรกันทุกอย่างเพียวอาละอยจะพูดมากอ่ะคุณพันกลับเซ่หัน <c oughs> กลับหมดทุกคนเลยนะเวลากลักบนั่เน่อไม่ได้พูดว่าหันดาดิมายังทันแต่อปุ ช, ชามะเนะไม่ได้พูดช่นด้วยนะ <c oughs> หาพร้อมกันไหมพระอิสารว่าหาแน่ด้นี่ยังพันเตอพุธฉามาะมหกิจะมหุปมหกเรนียาไอข้าพระเจ้าเราขอลาท่านนะนั่นกับบานกับทองนะนันพระว่ายะชนดาตุม้มแหะกวางมัญจ า, าอ่าไปดีนะ อ, อย่าลื ม, ม พ, พระพุทธธรรมมาสงนะนั่นพระตอบเ น, <c oughs> นีอ่อันนี้ไม่ได้เนาะไ ม, ไม่ได้ยังเรียนมาสำหรับยังยุ่งอยู่ เป็นครูเป็นคันอยู่ยังไม่มีเวลาเรียนเข้าใจให้คุณนายอ่ะคุณพันไปพพระป่างนะอพระป่างลูกชายอยู่เรียนแล้วใครฝ้าบ้านนะคนชายฝ้าบ้านใครฝ้าบ้าน เลยหัวไปค้าขายยังไม่กลับแผลแล้วพระเจ้าเสด็จมาแหมเสด็จมาแล้วนั่นแล้วพระเนาคนนั้นวิ่งขึ้นไปหาพระโทธเจ้าที่เรียกเลมนพระโพธเจ้าวาหม่อมฉานเจรียงพระเจ้าพระสงฆ์ขอพระองค์เป็นประธาตในครั้งนี้เปลิมอกเปลิมใจงั้นตอนนั้นพระพโพธเจ้านะก็หยุดพักอยู่รับสมุทนาแล้วเจรียงพระนข้างนั้น เพศสูกตัง500้งห้าร้อยนะเหมดเงินหลายก็หาปณญหาทีเดียวนี่ยหลายก็หาปณญนะนะหมดเงินไปมาทีเดียวนี่ <c oughs> แล้วเธนี่พระภูรเจ้กาก็แสดงไปตามเรื่องของท่าน <c oughs> ไปโตรวจจับเมืองอื่นนะเธอเนี่ยไม่ น, นั่นรอผัวมานะรอผัวมาเข้า ใ, ใจว่าผัวจะอนมัฒนานะนะเมียบอกผัวบอกว่ า, วา เ, เงินทองเราสะสมน ะ, นะ แล้วเท น, นะาได้เรียงพระแล้วเรียกว่านะพระเจ้าน่าปลมใจนะสามีนะเงีย้ยแมสามีโกรธทีเดียวงะเอาเงินสันไปนะเรียงคนหัวล้นในงานนี้อ้ากระทบกระทืบกันใหญ่โตซะแล้วเทนะอ้าวเทนี้ก็ไม่เที่ยงชทเวศนะเมื่อเกิดเป็นลูกเศรษฐีเทียงนั่นอยู่ในปราสานดนนเทสงเล็บเทีเยงแ้วอาอศัยนะ่ะทางศีทั้งหลายรักษาเทีเดยดักษาอ่า ธิดาคนนั้นน่ะและ้วพิดาไอ้วนัน่ะอ้นนะอาไอ้กรรมของเธอนะนะอ่าเป็นตกในอยู่ในท้องคนทุกตาเีธอนั่นแต่ก่อนทุกตาคนนี้ละี่ยไปขอทานให้ได้กินเสบมื่อเถรวันหาว่าเธอคนนั้นน่ะไปปฏิเสนเธอในท้องอ า, าอาในท้องคนจริทานนะไม่ทำให้ไม่อาพักเป็นได้เถอย แล้วเธอน่าจะขอทานก็ไม่ได้เหมือนเก่าวเธอนั่นเพราะยังไงเพราะนั้นไม่ยินดีในการให้ทานนะเธอไปเกิดเด้อในท้องนะาก็พรอให้มันดาได้รับความทุกข์ด้วยนะนั่งไงใส่บิดาแต่ขอทานมาสู่กนกินจนเลี้ยงเธอไว้เธอชัววันแดงวันแดงนะะแล้วก็ต่อไปต่อไปอ่ามันจะได้กันนะเนี่ยมันจะได้กันเธอมันจะได้กัน ไอ้ในเจ้าเนยเขาไปอยู่ในเมืองนั้นไปขอทานเขาเงินไอ้กองแกงได้เสื้อผ้ามันไม่สิ้นได้ทีเดียวนั่นขาดอะไรจุกจอยมดทุกอย่างเลยนะนะแล้วนะไอ้เมือเน่กิดเป็นเสพเทืออยู่ในปราศาสตร์นทานทเธรรมดาผู้หญิงนะเปิดหน้าต่างดูดูนดูนะความสุกช่อนนะของผู้หญิงนะหญิงสาวนะนั่นแล้วเน่เจ้าเนไปไปขอทานชกชกเช็คไป อ่าไอ้อภรรยาอยู่บนประสาทเลยเห็นมาเคยเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเกิดใจไม่สบายแล้วจะวิ่งตามคนนั้นแล้วนี่ยนะอยแล้วได้พระอนในชาลาดพเอาลตัตต น, นาทั้งหลายใส่กระเช้านะอแล้วเพวื่อนว่าอนงนงพาภาสีเถอะอ่าลุงอ่ะแปลงตัวเป็นทาสีลุออยู่ในประสาเถนะเอาลตัตต น, นาใส่กระเช้านะทําหัวยุ่งนะ ลงมาเนะี่นางสาสีทั้งหลายไม่เข้าใจว่าเป็นลูกเศรษฐีถึงขนาดนั้นลูกนะเข้าใจว่าทาสีไปทาน้ํานีนะ่ยก็ปล่อยตคำเรื่องเถอะนะครับนะตาด้านปลายน่นนะขอไปน้ำคนดานเถียคนนั้นก็บอกว่าเคยมาทำมนะํำมาทําไยอ่าฉันมาเป็นเบี้ยของเธออ้าไม่ได้ฉันไม่อะไรเรื่องเธอนะนะแล้วพรนะน่ะลูกเศรษฐีบอกว่า ฉันเอามาแล้วกัเชาวหนึ่งนะรัตนนะได้พับเ น, นะนะ้ น, นดานราคาสงที่สุดนะ่นะตอนนั้นไปด้วยกันภายในสามปีหมดแล้วเถอะหมดไม้บดมือแล้วเถอยนะมันอ า, าพับถึงขนาดนั้นไอ้หมอนั้นนะมันมันประมาะทเพราะในเจ้านะนะ่่แล้วเที่ยงแยกหนทางกันอย่าให้ไปทางเดียวกันแยกหนทางนะนะเมื่อแยกหนทางอ้าวอำลาดเอ าการบําเพ็ญทานของหญิงคน น, น, นั้นอ่ะไปเป็นเมียของเศรษฐีแล้วเธอหนาเศรษฐีแห่งใดนะแล้วเธอได้หมอเนี่ชกๆๆไปตามเรื่องเธอนะอแล้วเธอยะอยู่แล้วก็เป็นเมียเศรษฐีอ้าวแต่งตัวอะไรๆเปิดผิดแปลงแล้วเธอไม่เป็นคนฉัทานเหมือนเก่าแล้วเนี่ยหัวจําไม่ได้เธนะหญ <c oughs> ิงคนนั้นเห็นหัวไปในเมืองนั่นเธอหัวของเราก็มังนนหน่ะเหนือน่าสงสารเหลืนนะ ให้ท้าสีไปเรียกมาเรียกมานั่งอยนะนั่งอยเธอได้นอกข้าวมาสองวันแล้วไม่ได้กินนะนั่ะเมีอนักฉลาดนักเทียนะคิดถึงผัวเดออนัเะจะล่วงใจผัวใหม่นะจะเ อ, เอาเอาข้าวนะเอาข้าวเอาข้าวเนืองนะอยู่บางอย่างพณิสานนะเดี๋ยวก็มาทําเปลแปลนะะเดี๋ยวเอาทองคดในแคกน่าออกมาเกรงเที่ยว เงีเกรงแล้วออกมาให้มามาบำเพ็ญทานให้สามให้าสามเมย์นะสั่งสามเมยว่าเธอนะไอปันข้าวเนี่ยนะไปกินนะเงี้ยกินให้กินที่ปเปรี้ยวๆอย่าไปกินที่ไปชมนะนั่นฉันสั่งเธอนะนแต่นนั้นแหมอมาน็อกคน น, นนะั้นอ่ะไอคนทุกคน น, นนะั้นอ่ะมาได้กินข้าวสองวันแล้วเห็นปันข้าวก้อนใหญ่แหมเด้อกเดีายอย่างงั้นอย่างนี้เถอะนะนะ ินข้าไปตามมาราคาอาไปตามมราร์คานะมีสะพานเดินขำาครานะค้าคลาะแล้วเธอไน่ไม่ไม่พาทัางวันทั้งเดือนแน่เธอนั้นเอาปันข้าวไว้ะชนในชนในเดือนนะไม่ไม่นะดัแล้วเธอจะไปลงมืออ่าไปล่างมือมากินข้าวนะดังไม่ไปถูกชนนั้นนะ ไอ now, uh ้ปนข้าวมาตกลงน้ําผมเทียวแหม่แกลองหงหองไห้นะแม้หมนยังลองไห้นะลองไห้เรื่องปันข้าวนั่นนะนะเพราะไม่ได้กินมาหลายวันแล้วนะแล้วเพืนไอปลาตัวนั้นน่ะหกปนข้าวไปกินเดียวปนข้าวได้ตกไปนะหกไปไปกินอ่ามันร้อนท้องยังไงทราบได้ปลาตัวนั้นนะถูกวันเขาชแล้วเทียวเมื่อถูกวันเขาแล้วเทเนี่ยเขาไปขายนะ ไปเจ้าขายอ่าไม่เลยขายทีนะเพราะอามิตาคาเป็นสูงตัวไม่ใหญ่นะแล้วมาหาอ่าเมียเสร็จอมาหาลูกเศรษฐีที่เป็นเบียของเธอนะเบี้ยงเธอนะบอกให้อามาให้ทายสีอามาเมื่ออมาแล้วไปไม่ได้ในครัวนั่นแหละอามือจะคมนะกลิปนะแล้วแล้วไอ้ทองคํามันเกิดโดยทองปลาซะแล้วเห็นะหเมียก็หลากอกหลากใจเอ๊ะทําไมไอ้ผัวของเรามันช้าต่ําช้าแล้วกิน เราให้ในะทางบอกวิธีมาอยู่ในท้องปลาลนะงานอย่างเงี้ยเท่านันะนี่แหนะละฉันลายก็ไอ้หัวเมียนะนัะ่ต่อยหัวเพียงกันเมียเป็นโรคเศรษฐีหัวก็เป็นโลกเศรษฐีมันได้กันนะแล้วถ้าในหัวไม่เพียงกันอ้าวตายเหมือนวิ่งต่างกันนะแม้ไม่ใช่แรงเท้านะไปหาเงินหาทองอะไรช่อนนะไปปอนกันนะนั่นอะไรสักทุกอย่างนะก็เพราะยังไงเพราะไอ้ความศััทธานนะ่ะไม่เสมอกัน แม้คนนั่นนะเบียก็ดีแล้วทําอะไรดีแล้วนะ่ยหัวกลับมาแล้ว อ, อมุธนาห์เหมือนนับเป็นการใดพิี่สุดนะไหนมันต้อมาจากพระเจ้าใช่แล้วนะเนี่ยนี่เป็นเช้นนั้นเที่ยวให้ตังอกตังใจเงิ น, นใช้บาทนะ่ก็ใช้บาทด้วยกันเงินนะสะสมมาดนะ้วเบียทําแล้วก็เป็นอันที่แล้วหัวทําแล้วก็เป็นอันที่แล้วอยาปาดหมาดยาเสียงกันให้ความเลสุดในตอนนี้นะให้เกิดขึ้นในดวงจิตของใครนะต้อง รักษาศรัทธาไว้อาจจศรัทธาไว้อย่าให้เปือนนะอย่าให้เศร้า ม, มองนะนั่นนี้เป็นการใดธิ่สดเดียวระยะนี้จะรถมอญนี้แก่พวกท่านสำหรับปีใหม่ขยันตอนะสยันตนะ่อโพธิยาโมเอสะกิยนันทวัฒโนจะวางมัติโยฮิขยันชูเตมฆะเลย สีสะธะถมโขขละอภิเศกเกะสะพุทธนาอัคคปตโตปโมุติสุนัขขางสมังขะแรงสุบบัปปังสังสิกังสุขะโนสมหตัวเจ้าสุนิกขังพรามาจดิสุปะทักทีนางกายกรรมังวาจากรรมังโกดักทีนางปะดักทีงามโมคะมังแพทีทีแตเป็นักทีนา ประดักขีณาในกัตรวาลภันตะแทประดักขีณานคุณแม่มาคุณนะแม่นวมแม่คุณแม่ไงใต้โกรธเเดียวเป็นกษัตริย์นะเป็นพระยาไปเนีเราจะเข้าสู่ปฏิสุทธิ์ดิคนไหนกษัตริย์คนไหนนะคัดเลือกมากสุดนะไปไดินดูกุมินทรพัทน์เน่เอ๊ นางสลีมายาคนเนยนะมีสินแปดไ่เข้าใจนะเออท่าชุทโพธิ์รมะคนเน้มีสินนะห้าสิานานนส้นแปดไงเอาเดิรับราชโอรสนะโมระมกษัตรนะิย์ไงเข้าใจไหมนันเพราะเหตุนั้นผมมัเบียได้การต้องพระอนาคาโธต้องมีสินนะเอารับรองไอ้ผู้ที่มีเศษมาเกิดนะงั น, นหากก็ไม่ภาวนาพุโทโธดันเองนะฝุดอย่างนารกมาเกิดช้อนอยากเหลือเกินที้ยว่าอย า, อยากช้อนยากเป็นโจรผู้ร้ายเพี้ย นั่นพ่อแม่ได้รับความทุกข์นะนั่นขายให้ขายนาขายอะไรขายชบานช่องเนี้ยประกาศเอาลูกขายออกจากคุกนะเข้าใจไหมเข้าใจไ่มนั่นเขาสนใจได้การใ ห, ใหม่ๆเนี่ยสนใจให้ภาวนารับรองลูกที่ดีๆมาเกิดทอยะยายผู<ม>้เอาจากยังรกมาเกิดนลกมาเกิดว่ายากสอนอยากแม่เป็นคนแกยนะนั่นอื เดี๋น่ยลูกติดคุกติดตารางไปแล้วนั่นมีรายหนึ่งนางสือพีมแม่ลงไฮเที่ยวลงไห้ลูกเป็นโจรนะนั่นนักปล้นนะนั่นหนุ่มๆนะอายุ18ปีนะแม่ลงไฮเที่ยวนางสือพีมนะนั่นแก้ไขไม่ได้นะนั่นหาเงินไปให้ก็ไม่พอนั่นแล้วปฏิลูกสมัยเนี่ยนะเขาไม่เอ็นเอียงไปทางไหนนะเขาตัดสิ้นประหาชีวิตเลยทีเดียนะเขาไม่รับชิ้นบุญเออเหมือนอย่าที่ผ่านมาแล้วนะนั่น เข้าใจไหมอาจะมาชอบดูหงสือพิมพ์มันเคลื่อนไหวอย่างไงโลกไะแล้วเจคุณบเร่นะวัดวัดเขาพงามนะเขาท่านชอบดูหนงสือพิมพ์มันถานไปไงโลกมันมปกครองกันอย่างไงไะเดือดร้อนอย่างไงไงมันเป็นกระทูสอนจิตนะเจ็ดสเ็ดจังหวัดนะอมันปนปวนอย่างไงมันอะไรยังไงทุกวันได้ไม่ได้กําลังเคี้ยวเข็นเที่ยว ในเราเนียในเรายุคเห็นเทียวเปีย<ม>ปวเปียวลงไปเทนั่น<ม>ทุกวันเนี่ยพียพย่พี่น้องกันไม่ใช่พี่น้องกันเป็นพี่น้องกันสายโลหิตเงินทองทมไม่ใช่เป็นพี่ น, น้องกันทุกวันนี้ง่<ม>ายระวังมากเสียอย่าให้คนเยืมนะเยิมเมไม่ได้เทียวทุกวันนี้นะเยิมแรกได้แล้วที่ในใสน่หนีไม่ได้เทียอมันกินได้มันเฉยอ่ะนั่นมันเอาไปใช้ละมันไม่ไม่ระลึกถึงไอ ที่ไปยืมเลยนะได้นะดง่ายนะงั้นได้ง่ายแล้วเทไรไไปทวงไปบ่อยแล้วเกิดอุปสรรคทีเดียวหลายรายแล้วถูกถูกกระสุดไปก็ลายลแล้วไปทวงไม่ได้สุดวันนี้นะมันมณะตมนณะมันฆ่ากันนะไม่มีธรรมะทุกวันนี้อนะาจารนะย์เทไรไรถามโดยที่อยู่สบีบู่นขันมหาศ า, า ส, สนากี่สบู <c oughs> ่ภาวนาหลับตาดวงใจอย่างี้นะ <Yeah. laughs> เนี่ยเดูสิเงินนอกด้านนะเอา้ามามาเกลื่อนเกลืนไอ้เกลื่อนนี่ไปจนหมดแล้วเงั้นนะอืมหาไอ้ของดีนนะอที่จะฝังไว้ในศาสนานะเอาตัวรอดนะยกไอ้จากใบภูมินึ่งสีนะอืมแล้วเท่านั้นนะจะใช่ตะปะยางยิ่งอ่ะโวรม า, าศาสนากี่ชั่วโมงเงี้ยนะมันยี่สิบชั่วโมงนะอ่านัดนะออกมากี่ชั่วโมงนะเออโดยพินะีแม่อืมอืมโอนจะทางฝ่ายโลกปวดตายไม่ไหวแล้ว วันนึงวันนึงแม่คิถึงพุทธโธกีค่ครั้งนะถึงเขันัห <c ười> มมีมีหมอ่ะพุทธโทธพุทธโธในดวงใจนะนั่นถงไงลูกท้มมก็บังอนไปทางฝา่ายโลกมากที ย, ย, ทยาเชอน่ไหนมาเลียงดูเียงเต่าเลียงผัวเลีย ง, งเยงมียกันองค์ดง่นั่นลืมเลยเอเพ า, ากลับไปได้ี่นี่เอาละนีะ่ สงสัยอะไรก็ถามได้ใช่ไอถามได้คนจะแหงแล้วก็รถอัดแอร์กันนะจังหวัดพระนคร น, นะอัดแอร์กันไปไม่สะดวกอัดแอร์กันดเนดี๋ยวใจสองคนพ่นเบียดแล้วมาฟังเทกมาฟัง เฮยแต่ผัวฟังไปเล่าให้เมียฟังเขาไม่เชื่อกัน <c oughs> นะเนี่ยเมียเนี่ยเธอเ่าให้ผวฟังเขาไม่เชื่อกันอ <c oughs> ต้องเจ้าของมาเองเข้ใ <c oughs> าใจไหมเจ้าของมาเอง <c oughs> ดีอกดีใจนะโยมมาฝึกขัดจิตนะดีอกดีใจ <c oughs> อาจารมากข็ขยันอไ <c oughs> ม่กเกียจไม่ค้านฝ <c oughs> ึกขัด พอให้ดูสายคนจังหวัดพระรนครทางธรมธรมะไว้ฝ<ม>ากธรรมะไว้ให้กิดกรองเข้าใจไหมฝากธรรมะไม่ให้กิดกรองให้คนจังหวัดพระนครให้จังหวัดคนจังหวัดพระพระนครเกิดกรองอปฏิบัติพระนครมาทั้งดุก ท, ทั้งเต่าทั้งเบี้ยนะพระนครมาทั้งดุก ท, ทั้งเต่าทั้งเบี้ย เวลาเช้านะหากว่าคนมานั้นมาจังขานม า, านะอะไรนันก่อนกินข้าวต้องให้เททก่อนนิดหน่อยลงมือกิน<ง>เวลาเย็นหากว่าคนมานะเนี่อ้าวต้องมาหัดตังสมาธิกันจ<ง>ังสมาธิกัน ัผู้ชายแล้วบนสวรรค์นี่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะถูกแล้วผู้หญิงมากนะบริวารผู้หญิงก็มากนะนั่นผู้ชายไม่น้อยเทวดานะแต่พวกผู้หญิบน้อยกว่าจริงมันเอาจริงเอาจังนะผู้หญิงเนี่ยเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ให้ผู้หญิงปกครองไม่ให้ผู้หญิงปกครองผู้ชายปกครอง มาจิดมันแน่นหนาผู้หญิงมันเปื่นความง่ายมือนะเพื่อนความร่ายมือโยงไปเห็นเมรุชาวไทยถอนเขาแม่งมีตกมีตกถึงยิดถึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ตกในรลกนะยึดถึงยึดถึงลูกยึดถึงลูกแน่นอนนะ ยกตัวอย่างวาาพ้าพุทธฮะมันบมันท่านสิงทอง ว, าาวังวังเป็นธรรมดามค่อแม่ห่วงน็น่ะไม่ไปไม่ได้ก็ต้องไปไปศึกษาควรความดีทค่ค่า <c oughs> แล้วเราโ ล, ลกไม่ไปเพื่อความเสียหายนะรวบรวงธรรมะนะรบรมธรรมะโ mm. ลกก็เป็นอย่างานั้นโลกก็เป็นอย่างานั้นเป็นห่วงเกรงห่วงตางเคเลดพอพุทธศึกมาสุโธทนะนะเป็นห่วงนะห่วงสมบัติกรุงกบินาภัตแ น, น่นห่วงจะให้เจ้าชายสิรชกุ ม, มารยังไม่พอจะให้ราหุน อ, น, น, ามมานอีกนันทาคุมารอีกแน่ห่วงน่เป็นห่วงั้นะ ไม่ใช่เป็นบาปนะเป็นห่วงเปล่าๆเนี่ยไม่ใช่ท่นห่วงดังๆเข้าไปไม่แก้ไขอาวอีเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นเรนเออเข้าใจไหมเนี่ยจิตมันเกาะนะจิตมันติดนะเน่เป็นเรนนะเนี่ย <c oughs> ห่วงแล้วตรนลกว่าไงครับที่ตรงโลกครัอ่พอพ เทวทัตนะสุภาุธ t ที่โดนรสเทวทัตไงพ่อพ่อของเทวทัตเอต่อตก ร, ร, รกอวิชเชเหมือนการลูกชายอาวิชเเหมือนกันสุปาพุต tha ไเอ่อแผ่นดินแยกเหมือนกันลูกชายแผดินแยกเหมือนกันสุปปพุต t ธเนี่ยไปปางเวรพูทดเจ้าเถอะแหมเราก็เป็นกริสันะที่ดาของเราเนี่ย เจ้าชายเทิา ก, ก็นาก่ากะมาเนาะปะนำพิพาลูกเทิดาของเราหนึ่งแม้เทวทั์เด้๋ยบวชมาก็เป็นปังเวงเี้ยสินแนะนั่นเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าสุปาพบุรธษน่ะ <c oughs> จะทำร้ายโครจรของพระเจ้าในครั้งนั้นน ะ, นะตกละลกทั้งสองคนเทวทั์เป็นบาชีดตกรกแผ่ดินแยกสุปาพบุรุษกแผ่นดินแผ่นแยกเทียวนั่นม้าตัวนั่นนะ่ะใครๆห้ามไม่ได้มันลาพองกันเคนะน่น เทวทัศ อ, ออกมานะพระเจ้าข้ก็เตรียมตัวไแล้วถ้าคนปล้ำไว้หนึ่งนะอะไรอะไรนะแล้วก็เรปรี่าษาในแน่น ห, หนาแล้วเจ้าชายคืออ่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสุสภพุทจะตกลกเกียว่นภานกรตวันเกลีเคลี่ยไปแล้ว อ, อานาจกรรมมันมากเกินไปนะเกียยไปแล้วออกมาแล้วอาวมาลำลาคองทีเีนะเทวอ่สาสุภพุรุษออกมา แล้วเตรียมว่าสายเถอะออกมานะสออกไปเข้าไปสายท่อของสุภาบทรุไปนะไปไปไปลงแท่นดินแยกปุ๊บแล้วลงถึงอาวุจีแต่ว่าสุปาบุรเนี่ยตกอาวุธจร้งแค่ไหนสาบไม่ได้อาวุธจริงนะแต่ว่าเทวทัศน์ี่คงที่นะทําลายทันที่คงที่นะเจอในต้องคงที่แล้วฉกมาทั้งตัวดินไม่ได้เข้าใจไหม เผ่าก็ อ, อยู่ไงแต่สุปาวุนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดพฤสดานเหมือนกับเทวทัเข้าใจไหมอ่ายังอยู่ไม่ยังอยู่ยังไง ไ, ได้แค่ใครก็ตายเมื่อวานนี่นะตายเมื่อวานนี้นมนุษย์นะเที่ทยบแบบวันเดือนปีของมนุษยน์นิดหน่อยเดือนปีของมนรกมันตายกลับแล้วกัน <c oughs> ยกตัวอย่างนะ อาอย่างนี้ก็แล้วกันพระมารายขึ้นไปสวรรค์นะอถามพระจะเบกเบกไกลนะพระองค์เป็นพิชายพิคูลนะเมือ่อคราวนะ่ะเป็นลูกพนะิชายสกโรน่ะมาเกิดที่นี่นานเท่าไหร่ไม่ถึงครึ่งวันเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ความครึ่งวันนะันนะแล้วเดี่ยไอ้เทวทัตตกเนี่ยเหมืนไงคล้ายๆก็เต็มวันหนึ่งนะเข้าใจไหมไม่ไม่ถึงครึ่งวันเหนะง พระเจ้าไป่กลายโพลิสัตว์พูดกับพระมรัยนะไม่ถึงครึ่งวันวันเดินปีนะของสวรรค์กับนรกเข้ากันมนุษย์นิดหน่อยต่างกับต่างการนะพวกนี้นะเพราะมันมากแล้วนั้นพระมารัยเนี่ย ถ้าลอกองทุกข์ให้อยู่ในนานข้าพเจ้าได้รับความสุขเนี่ยอยู่ไม่ได้มันตายเร็วรีบลาพวกนั้นมาตายเร็วเดี๋ยวเดวพูดจไปถสวรรค์อมโลกได้ในานี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจะไปถึงสวรรค์ภมโลกไปเที่ยวกั น, กนคนไทยนี่ไปเที่ยวกันไม่ไ ม, มีแล้ว <c oughs> อา่าตอนดีด้วยกาเสถีมาหาพระเจ้าแล้วมาเยี่ยมโซคาวรีบกลับไปไปนี่ยอา่ากิจการงานเที่ยวโลกมากเหลือเกินอา่าไเที่ยวเล่นเกย์กะไม่ได้เนี่ยนีเหแบบมือนนุษย์แมนุษย์ไปขึ้นโคเต้นโคเทนเนี่เฮ้ยได้นั่นไม่ได้แล้วสมบัติเป็นมากแต่ปกครองอ่ะไปเดินเนกย์กะไม่ได้นาซีขามาหาพระเจ้าก็รีบพูดกับพระ อ, องค์สะรีบกลับหวง กิดการงานทางเทวโลกนั้นพยายามเดืสบก็เหมือนกันเหมือนนุนเนี่ยไปเที่ยวเล่นเบืองนั่นเมืองนี่อยู่วะไ <c> ป <oughs> เที่ยวนี่นั่นนีนี่อยู่ว <c oughs> ไปตกอากาศจี่นั่นย่งนี้อ่เ <c oughs> มือนนุอ่ะอันนั้นไม่ได้นะันะ <c oughs> อ่าพวกนี้นะไข้ควรในพระสูตรเน <c oughs> ี่ยอ่อนทางความรล้ทางพระสูตรดียัง <c oughs> อ่า ใ, ให้พา่นาทางนู้นทางนี้มาเปรียบเทียบกนันไหม ยังหายความสงสัยเนะอ่อนทางทางทา ง, ทางประสูตม น, นังเสือมาอยู่ในมหาวิทยาลัย อ, อยู่ในร้านตระหลาดนะทำไมไม่มอ่านนะอ่านในการเลื่อนชีพเดียว <c oughs> <c oughs> อ่านไปรีพอร์ตโอะชั้นนั้นชั้นนี้นะอ่านอ่านตนเลื่องขึ้นเงินเดือนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในภนะ <c oughs> ูนกิรลสขึ้นนะ่ะอ่านเพื่อแก้ไขจิตไม่เอาลนะเข้าใจไหม นะพวกนี้นะมีพวกเทวดาไปเที่ยวเล่นไม่ได้สังเกตดูนางเสีขามาคุยพุทธเจาบิกานะพยานมิศาลนะข่าพระองค์นะคุยกับพระองค์มานานไม่ได้จดการงานเร็วลกมากเลยลาพระองค์กลับนะอืมลาพระองค์กลับละเรา าการการเมียมันนานนะอนนอกแล้วเผ่าเมียเป็นเล่นประเทศนอกสนุกผ่าเมียเล่นโคเตนขึ้นโคเตนสนุกนเรื่องนั้นนะความสนุกมาอยู่ในมนุษย์โลกข้ง น, นั้นที啊ความสนุ<า>กแล้วถามมาถามมาถามมา จังหวัดนครนี่ยถนนถนนลอกมดเทียเว้แม่สิหายเนรัฐบาลถนนลอเทียนท่สูงอ่ะถนนถลอกมดเทียต้องเบิกเงินอีกไหมเนี่ยเทศบาลตัดงงอีกไหมไมทไม่ไหวละตายตายหมดงินรัฐบาลเนี่ย รัฐบาลหมดไปแล้วนะที่ไหนนะยือประเทศนอกอีกที่ันล้านดันล้านเที่ยวนะตายนี่เก็บภาษีกันอกยุงเถอะเก็บภาษีกันนะอกยุงนะง้ดูในเสพเทียในสำคัญนืองเสพเียนในสคัญสาคัญมากในการดูเสพเทีนนะอะไรรความชั่วอะรความสุขอยู่ในเสหมดเย